บทภาชนีภิกษุที่รับสมมุติให้บอกกำหนดอาบัตไม่กำหนดตระกูลก็มีภิกษุที่ได้รับสมมุติให้บอกกำหนดตระกูลไม่กำหนดอาบัตก็มีภิกษุที่ได้รับสมมติให้บอกกำหนดอาบัตและกำหนดตระกูลก็มีภิกษุที่ได้รับสมมุติให้บอกไม่กำหนดอาบัตและไม่กำหนดตระกูลก็มีที่ชื่อว่ากำหนดอาบัตคือสง์กำหนดอาบัตว่าพึงบอกตามจำนวนอาบัตเท่านั้น ที่ชื่อว่ากำหนดตระกูลคือสงกำหนดตระกูลว่าพึงบอกในตระกูลมีประมาณเท่านี้ที่ชื่อว่ากำหนดอาบัตและกาหนดตระกูลคือสงกำหนดอาบัตและกำหนดตระกูลไว้ว่าพึงบอกตามจำนวนอาบัตเท่านี้ในตระกูลมีประมาณเท่านี้ที่ชื่อว่าไม่กำหนดอาบัตและไม่กาหนดตระกูลคือสงไม่กาหนดอาบัตและไม่กาหนดตระกูลไว้ว่าพึงบอกตามจำนวนอาบัตเท่านั้น ในตระกูลมีประมาณเท่านี้81ในการกําหนดอาบัติภิกษุบอกอาบัติอื่นนอกจากอาบัตที่สงกําหนดไว้ต้องอาบัตปาจิตตีในการกําหนดตระกูลภิกษุบอกในตระกูลอื่นนอกจากตระกูลที่สงกําหนดไว้ต้องอาบัตปาจิตตีในการกําหนดอาบัตและในการกําหนดตระกูลภิกษุบอกอาบัตอื่นนอกจากอาบัติที่สงกําหนดไว้และในตระกูลอื่นนอกจากตระกูลที่สงกําหนดไว้ต้องอาบัติปาจิตตี ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดอาบัตและในกรณีที่ไม่ได้กำหนดตระกูลไม่ต้องอาบัตติกะปาจิตตีแปดสิอาบัตชั่วยบภิกษุสำคัญว่าเป็นอาบัตชั่วยาบบ่แก่อนุปัสสัมบันต้องอาบัตปาจิตตีเว้นไว้แต่ภิกษุได้รับสมมุติอาบัตชั่วยาบภิกษุไม่แน่ใจบ่แก่อนุปัสสัมบันต้องอาบัตปาจิตตีเว้นไว้แต่ภิกษุได้รับสมมุติ อาบัตช่วยยาพิกษุน์สคัญว่าไม่เป็นอาบัตช่วยยาบอกแก่อนุปัสสัมบันต้องอาบัตปาจิตตีเว้นไว้แต่ได้รับสมมุติทุกกฎภิสูจบอกอาบัตไม่ช่วยยาบต้องอาบัตทุกกฎพิสูจบอกความประพฤติช่วยยาบหรือไม่ช่วยยาบแก่อนุปัสสัมบันฑต้องอาบัตทุกกฎอาบัตไม่ช่วยยาบภิกษุสําคัญว่าเป็นอาบัตช่วยยาบต้องอาบัตทุกกฎอาบัตไม่ช่วยยาพิสูจไม่แน่ใจต้องอาบัตทุกกฎอาบัตไม่ช่วยยาบภิกษุสําคัญว่าเป็นอาบัตไม่ช่วยยาบต้องอาบัตทุกกฎ